ข้อน่าสังเกตในพระอภิธรรมปิดกสำหรับเนื้อหาตรงส่วนนี้หายไปค่อนข้างเยอะขออ่านเท่าที่มีเนื้อหาในเว็บไซต์ให้อ่านนะครับคำว่าธรรมโมจกวินโยจะซึ่งแปลว่าพระธรรมและพระวินัยนั้นคำว่าธรรมหรือธรรมะไม่ได้หมายเพียงพระสุตตันตปิดกเท่านั้นแต่หมายรวมถึงพระอภิธรรมปีดกด้วย ถ้าปฏิเสธพระอาภิธรรมปิดกเพราะเหตุเพียงคำว่าวุตตันเหตัตงพัควาตาเป็นต้นพระสูตรกับพระวินัยก็ควรปฏิเสธด้วยเพราะทั้งพระสูตรและพระวินยัยล้วนฟังมาจากพระพุทธเจ้าทั้งนั้นพระองค์มิได้ทรงขีดเขียนไว้ที่ไหนและในพระสูตรเองก็มีคำว่าเอวมเมสุตตังข้าพเจ้าสดับมาดังนี้ ในพระวินัยปิดกก็มีคำว่าเตนะโขปนะสมเยนะพวตาโดยสมัยนั้นและพระผู้มีพระภาคเหล่านี้ล้วนเป็นคำพูดของพระสังคีติกาจาร์ทั้งสิน้นยอมรับว่าในอภิธรรมปิดกมีพาสิตของพระเทระอยู่คำพีหนึ่งคือกถาวัตถุซึ่งแต่งโดยพระโมคคัลลีบุตรติสสะเทระ แต่พระโมคคัลเบุตรก็แต่งตามพุท ธ, ธาทิบายการโต้แย้งหักล้างกันในเรื่องนี้มีมานานแล้วและคงจะมีต่อไปการหักล้างกันด้วยวาทะบางครั้งก็รุนแรงดังในอัถสาลินีอัตถกถาที่แต่งโดยพระพุท ธ, ธโคสาจารย์พระแห่งสำนักอภิธรรมเมื่อพุทธศตวรรษที่สิบได้ว่าผู้ปฏิเสธอภิธรรมเสียเจ็บแสบ ท่านได้พูดถึงเรื่องนี้ไว้ว่าผู้ปฏิเสธอภิธรรมก็ย่อมเชื่อว่าปฏิเสธสัพพัญยุตยานในชินจักนี้ชื่อว่าทำเวสารัชายานของพระศาสดาให้หมุนกลับทำให้บริษัทผู้ใกล้จะฟังเข้าใจผิดกั้นทำนบในอริยมรรคคือกีดขวางอริยมรรคเขาผู้ปฏิเสธพระอภิธรรม จัดอยู่ในพวกที่ก่อเหตุแตกร้าวสิบแปดจาพวกจําพวกใดจําพวกหนึ่งเป็นผู้ควรลงอุเขปนิยกรรมนิสัยกรรมและตัชนิยกรรมโดยแท้คนเช่นนี้พวกเราควรลงปรบภาชนิยกรรมเป็นต้นแล้วขับไล่ใสส่งว่าพวกเจ้าจงเป็นคนกินเดนเสดเถิดถ้อยคำรุนแรงเช่นนี้เข้าใจว่า พระพุทธโคสาจารย์ท่านมุ่งเป้าไปยังพระสงฆ์นิกายอื่นที่ไม่นับถือพระอภิธรรมเช่นนิกายสาาตรานติกซึ่งไม่ยอมรับว่าพระอภิธรรมเป็นพุทธวจนะยอมรับเฉพาะมาติกาเท่านั้นน่าประหลาดที่นิกายสระวาสติวาทินซึ่งมีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่านิกายอาภิธรรมเพราะนับถืออภิธรรมมาก กลับมีความเชื่อว่าพระอาภิธรรมปิดกเป็นบทนิพนธ์ของพระสาวกสำคัญสามรูปไม่ใช่ประวัจนะของพระพุทธเจ้าพระสาวกสำคัญสามรูปนั้นคือพระมหากจัจยานะพระสาริบุตรและพระโมคคัลลานะเสถียนโพธินันทะผู้ได้ฉายาว่าพระไรปิดกเคลื่อนที่แสดงมติในเรื่องนี้ว่า อภิธรรมปิดกนี้ไม่ใช่พระพุทธภาสิทธ์ทั้งหมดจะเป็นพระพุทธภาสิทธ์ก็เฉพาะแต่บทมาติกาและข้ออธิบายบางแห่งนอกนั้นเป็นอาจาริยภาสิทธ์ซึ่งอธาธิบายมาติกาอย่างพิสดารตามพุทธมติจึงไม่ควรถือว่าเมื่อไม่ใช่เป็นพระพุทธภาสิทธ์ทั้งหมดแล้วก็เฉยไม่นิยมนับถือความจริงพระอภิธรรมนั้นไม่ใช่อื่นไกลที่ไหน เนื้อแท้ก็เป็นธรรมะในพระสูตรนั่นเองท่านพุทธทาสภิกขุได้ให้ความหมายของอภิธรรมว่าหมายถึงส่วนที่ยิ่งใหญ่ก็ได้ส่วนที่เกินก็ได้ที่ว่าส่วนที่ยิ่งใหญ่นั้นอภิธรรมยิ่งใหญ่ไปในทางสำหรับโต้เถียงกันไม่ใช่ยิ่งใหญ่ในทางปฏิบัติที่ว่าเกินนั้นหมายความว่า เกินความจําเป็นที่มนุษย์จะต้องรู้หรือจะต้องปฏิบัติมนุษย์เราจําเป็นต้องรู้แต่เรื่องที่ปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ท่านพูทธทาสพิขุได้อ้างคําพูดของพระนักบ rad ตะวันตกท่านหนึ่งคือยานาดิโลกว่าความแตกต่างระหว่างสุตตันตปิฎกกับอภิธรรมนั้นไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อหาของเรื่องมันต่างกันแต่เพียงวิธีจัดคําวิธีให้คํา ส่วนใจความนั้นเพ่งเล็งถึงสิ่งเดียวกันสุทตันตปิฎกพูดภาษาธรรมดาที่ชาวบ้านพูดซึ่งเป็นคำพูดที่ไม่ถูกต้องตามปรัชญาบ้างไม่มากก็น้อยส่วนคำพีอภิธรรมปิฎกนั้นใช้ภาษาทางปรัชญาอย่างบริสุทธิ์ในความหมายชั้นปรมัติ์แล้วสรุปด้วยคำพูดที่ครอบคลุมที่สุดว่าอภิธรรมปิฎก ไม่อยู่ในรูปเป็นพระพุทธพจน์วิวาทะเกี่ยวกับเรื่องนี้มีมากยกมาเป็นตัวอย่างเพียงสองสามทัศนะสรุปแล้วไม่ว่าจะเป็นใครพูดก็ตามไม่ว่าจะเป็นปราตะวันตกหรือตะวันออกไม่ว่าอดีตหรือปัจจุบันต่างก็ลงรอยกันในประเด็นสรุปข้างท้ายนี้คือหนึ่งที่พูดว่าอภิธรรมปิดก ไม่ใช่พุทธพจน์ทั้งหมดหรือใช่พุทธพจน์เฉพาะบทมาติกาก็ดีพระอภิธรรมไม่อยู่ในรูปพุทธพจน์ก็ดีผู้พูดไม่ได้ปฏิเสธว่าพระอภิธรรมปิดกไม่ใช่หลักคําสอนของพระพุทธเจ้าเพียงแค่ต้องการบอกว่าอาภิธรรมปีดกเป็นเรื่องที่แต่งเพิ่มเข้ามาภายหลังสอง ทุกคนยอมรับว่าเนื้อหาในพระอภิธรรมปิดกเป็นหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะสอดคล้องตามหลักตัดสินพระธรรมวินัยแปดประการแล้วโดยประการทั้งปวง